พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธภาสิทธิขัทธาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งบัณฑิตรู้ความข้อนี้ตามความเป็นจริงแล้วทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะ พนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอธิบายความ 1. ความหิวเป็นโรคอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดเช่นนี้ก็เพราะโรคอย่างอื่นอาจรักษาให้หายขาดได้ในระยะเวลาอันสมควรแต่โรคหิวนั้นมีมาตั้งแต่กำเนิดและดำเนินต่อไปจนสิ้นชีวิตแม้จะบำบัดได้บ้างก็เพียงชั่วคราวไม่นานนักก็หิวอีก ถ้าปล่อยให้หิวมากก็จะทําให้หน้ามืดตาลายวิงเวียนอาจเป็นลมได้และอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคอื่นๆต่อไปเช่นโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้เป็นต้นอันหนึง่งเมื่อหิวคนจะอ่อนเพลียทําอะไรไม่ได้ความคิดก็ติดตันไม่ว่องไวทําให้อารมณ์เสียง่ายใครขัดใจหน่อยก็โกรธแรงเพราะพื้นไม่ดีซะแล้ว บางคนทึงกับทุบตีมารดาจนสิ้นชีวิตเพราะความหิวเป็นเหตุดังเช่นเรื่องที่เล่ากันมาว่าชายคนหนึ่งไปไถนามารดาไปส่งข้าวสายไปหน่อยหนึ่งเพราะหูงข้าวหม้อแรกดิบจึงหุงใหม่เมื่อไปถึงลูกชายเปิดหม้อข้าวดูเห็นว่าน้อยคงจะกินไม่อิ่มจึงโกรธตีแม่ตายแต่ความจริงข้าวนั้นหาน้อยไม่เพียงแต่ความหิวทาให้เขารู้สึกว่าน้อยไป พอกินข้าวจริงก็ไม่หมดท่านจึงว่าอย่างให้คนหิวหุงข้าวอย่าให้คนโรคครองเมืองคนโรคครองเมืองก็ต้องกินเมืองช่อราดบางหลวงกินโดยไม่รู้จักอิ่มเหมือนไฟได้เชือ้อนี่จัดเป็นความหิวอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นความหิวทางใจเป็นกิเลสนี่เป็นสำนวนของอิสานว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่อันนี้เป็นข้าวหุงเนาะ ไอว่าที่มามันของเขาน้อยค่าแม่อยู่โน่นบ้านสะเดาตาดทองนี่ที่ยะโสถรนน ون. บางคนไม่ค่อยหิวข้าวก็เดือดร้อนเหมือนกันต้องเที่ยวหาหมอหายามากินเพื่อให้หิวข้าวที่เดือดร้อนเพราะการไม่หิวนั้นเป็นลักษณะผิดธรรมชาติของร่างกายอย่างหนึ่งอาจมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จึงทําให้ไม่หิวแต่บางทีก็มีเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เช่นรักมากเกลียดมากตื่นเต้นตกใจกลัววิตกกังวลโกรธแค้นรวมความว่าอารมณ์ไม่ได้อยู่ในสภาพปกติทําให้น้ําย่อยอาหารไม่ทํางานตามปกติว่ากันตามความเป็นจริงถ้าคนกินอาหารเพื่อบําบัดความหิวเพื่อให้ร่างกายดํารงอยู่ได้ก็ไม่สู้ลําบากเท่าไหร่นักแต่ถ้ากินตามที่ใจอยากก็ลําบากสักหน่อยการประดิษฐ์ ประดอยอาหารเพื่อให้อร่อยนั้นเป็นอาการแห่งความอยากทางใจต้องเที่ยวแสวงหาอาหารที่คนปรุงมีฝีมือดีมากสถานที่หรูหราและเป็นธรรมดาที่ราคาก็ต้องแพงด้วยสิ้นเปลืองเงินมากยิ่งกินเพื่อสนุกยิ่งเสียเงินมากบางทีกินเพื่อสนุกเสียมื้อหนึ่งต้องจ่ายเงินมากกว่ากินตามปกติทั้งเดือน ถ้ากินเพื่ออยู่เพื่อบำบัดความหิวก็ไม่ต้องมีอะไรมากนักแต่ถ้าอยู่เพื่อกินก็ต้องลาบากหน่อยยิ่งกินมากก็ต้องยิ่งเหนื่อยมากเพราะของกินไม่ใช่ได้มาเปล่าต้องได้มาด้วยการทำงานวิธีประหยัดอย่างหนึ่งหรือจะเรียกว่าการหารายได้ก็ได้คือการกินให้น้อยลงการกินมากกินเกินความต้องการของร่างกายกินเพราะอยากกินไม่ใช่เพราะหิวนั้น ให้โทษแก่ร่างกายมากกว่าให้คุณคนกินง่ายอยู่ง่ายตายยากกินยากอยู่ยากตายเร็ว <c oughs> ทาไปด้วยนะ <c oughs> คนอ้วนนั้นไม่ได้หมายความว่ากินมากเสมอไปคนกินมากไม่อ้วนก็มีคนกินน้อยอ้วนก็มีพระบางรูปฉันอาหารเพียงมื้อเดียวแต่ก็อ้วนได้มากอาจขึ้นอยู่กับสาเหตุอื่นก็ได้ ขอสรุปไว้ทีหนึ่งก่อนว่าความหิวนั้นจัดเป็นโรคอย่างหนึ่งและเป็นโรคที่ต้องบำบัดแก้ไขกันตลอดชีวิตความเหนื่อยยากลําบากของมนุษย์ส่วนใหญ่ดูมันจะอยู่ที่การทามาหากินนี่เองเป็นทุกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตัดว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง 2. ส, สังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารคือร่างกายนี้ประกอบ ด้วยทุกนานับประการเช่นความทุกจากความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะความเจ็บป่วยความต้องบาดเจ็บเพราะต่อสู้กันเพราะสัตว์ร้ายกัดรวมความว่ามีทุกข์อยู่รอบด้านความสุขที่จะมีได้บ้างก็เพราะการทําใจให้สุขร่างกายยังเป็นเหตุแห่งความกําหนัดความลุ่มหลงและทําให้คนทําบาปเพราะความกําหนัดนั้นมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะเนื้อหนังหรือเพื่อ เนื้อหนังไม่น้อยโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่เมืองหลวงสังขารร่างกายไม่มีค่าอะไรถ้าไม่ห่อหุ้มเอาดวงใจที่ดีไวมันมีแต่ภาระให้ต้องแบกต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาโลกแห่งกายเนื้อเป็นโลกที่หนาและหนักส่วนโลกแห่งกายที่เป็นโลกที่เบาสบายแต่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ติดอยู่และเสียดายกายเนื้อเป็นนักหนา นิทานของชาวฮินดูโบราณที่เล่ากันว่าตัวนอนดักแด้ที่จะเป็นผีเสื้อตัวหนึ่งเมื่อโตเต็มที่ในขั้นนอนแล้วก็ถึงคราวที่มันจะต้องเปลี่ยนสภาพจากนอนให้เป็นตัวแก้วในระยะนี้มันจะเกิดอาการอ่อนเพลียและมึนงงเป็นกำลังมันจะต้องเริ่มการนอนหลับอันยาวนานเพื่อจะเปลี่ยนร่างกายเป็นตัวแก้วแต่เนื่องจากมันไม่รู้สภาพความเป็นจริงอันนั้นมันจึงเรียก ประชุมเพื่อนของมันแล้วกล่าวอย่างเศร้าใจว่าน่าเสียดายเหลือกเกินสหายเอย๋ยฉันจะต้องจากชีวิตอันสดใสและโลกอันสวยงามนี้ไปเสียแล้วความตายกําลังจะย่างเข้ามาเด็ดชีวิตของฉันทั้งๆที่ฉันยังมีอายุน้อยนิดเดียวช่างโหดร้ายเลือประมาณขอลาก่อนเพื่อนที่รักทั้งหลายขอลากันชั่วนิรันดรพรุ่งนี้แล้วจะไม่มีตัวฉันอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป พวกเพื่อนเพื่อนของมันต่างก็พากัน ร, ร้องไห้กันยกใหญ่ด้วยความเสียใจตัวนอนที่มีอายุตัวหนึ่งบอกว่าสหายของเราจากไปแล้วชั่วนิรันดรเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นเช่นนี้ในไม่ช้าพวกเราก็จะถูกเด็ดชีวิตไปอย่างทารุณเหมือนกันหมดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครทราบได้เพราะไม่มีใครรู้แน่ว่าชาติหน้าของเราจะยังคงมีอยู่หรือเปล่า ต่อจากนั้นมันก็แยกย้ายกันไปด้วยความเศร้าใจยิ่งที่จริงตัวหนอนนั้นได้กลายเป็นผีเสื้อมันแปลจากสภาพของสัตว์เลื้อยคลานไปเป็นสัตว์ที่แสนสวยโผล่พินบินไปมาได้อย่างอิสระเสรีซึ่งเมื่อเทียบกับความเป็นตัวหนอนของมันแล้วก็เป็นความเจริญและความสุขที่เปรียบกันไม่ได้เลยมนุษย์เราส่วนมากเมื่อถึงคราวที่จะทิ้งสังขารคือกายเนื้อนี่ ก็มักคิดอย่างตัวหนอนนั้นความจริงโลกทิพย์อยู่บ้างหน้าเขาอิสระเสรีและสุขสบายกว่ามากชีวิตไม่เคยดับสูญไม่เคยสะดุดหยุดลงมันไหลอยู่เรื่อยความตายไม่ใช่การสิ้นชีวิตแต่เป็นเพียงการแตกทำลายแห่งกายเนื้อเท่านั้นแม้มนุษย์เราจะก้าวไปมากในวิทยาการอย่างอื่นแต่ยังล้าหลังเหลือเกินในวิทยาการอันเกี่ยวกับชีวิต น่าเสียดายจริงๆความพยายามต่างๆของมนุษย์ถ้าหมุนไปทางการค้นคว้าทางจิตก็จะได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยจะทำให้มนุษย์เราเข้าใจชีวิตดีกว่านี้อีกหลายเท่าตัวสิ่งที่เบียดเบียนมนุษย์อยู่ทั่วโลกไม่เลือกหน้าอย่างหนึ่งก็คือกิเลสกล่าวคือความโลภความโกรธความหลงความทะยานอยากความริษยาการดับกิเลสเสียไดย้ท่านเรียกว่านิพพาน ไม่มีความร้อนใจใดๆตกหล่นเหลืออยู่อีกจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งพระาศาสดาทรงปรารบอุบาสกคนหนึ่งตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองอาราวีมีเรื่องย่อดังนี้เช้าวันหนึ่งพระาศาสดาประทับในพระคันท ก, กุดีในวัดเชตวันเวลาใกล้รุง่งทรงตรวจดูปณิสัยของสัตว์โลกที่พระองค์พอจะโปรดได้ ทรงเห็นอุปนิสัยของคนเข็นใจคนหนึ่งที่เมืองอาราวีจึงเสด็จไปที่เมืองนั้นชาวเมืองนิมนต์นพระศาสดาและภาษาบกให้เสเวยและฉันมนุษย์เข็นใจผู้หนึ่งทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาตั้งใจไว้ว่าเราจะฟังธรรมในสำนักพระศาสดาบังเอิญวันนั้นโคเขาหายไปตัวหนึ่งเขาจึงเที่ยวติดตามโคไปในป่าเมื่อพบโคแล้วจึงรีบมาสู่สำนักพระศาสดา เวลานั้นชาวเมืองได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสร็จแล้วรับบาดคอยการอนุโมทนาของพระองค์อยู่แต่พระศาสดาทรงนิ่งเสียไม่ได้อนุโมทนาเพราะทรงดำริว่าเราปราบรบรุษเข็นใจคนหนึ่งเดินทางมาไกลถึง30โยชนเวลานี้เขาไม่อยู่ในสมาคมนี้เขาไปเที่ยวตามหาโคในป่าเมื่อเขากลับมาแล้วเราจะอนุโมทนา บุรุษนั้นมายืนอยู่ณส่วนหนึ่งอันสมควรแก่ตนแม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ยอมไปบ้านเพื่อบริโภคอาหารเพราะใจจดจ่ออยู่ในการที่จะฟังธรรมพระศาสดาขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบว่าเขาหิวจึงตรัดถามทายกคนหนึ่งว่าอะไรอะไรที่เหลือจากที่ภิกษุฉันมีอยู่บ้างหรือไม่เขาทูลตอบว่ามีทุกอย่างรับสั่งให้ให้แก่บุรุษนั้น ทายกได้ให้บุรุษนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดารับสั่งให้ข้าวยาคูและพัดด้วยความเคารพทราบว่ามีในที่นี้แห่งเดียวที่พระศาสดาทรงให้จัดแจงอาหารเพื่อบุคคลอื่นไม่ปรากฏในที่ใดเลยเมื่อบุรุษนั้นบริโภคอิ่มแล้วระงับความกระวนกระวายเพราะความหิวได้แล้วพระศาสดาจึงทรงอนุโมทนาจัดอนุปปพิการาและอริยสัจ ให้ชายเข็นใจนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายได้ตำหนิภาษาสดาว่าทรงทำสิ่งอันไม่สมควรไม่เคยเห็นทรงทำในที่ใดเลยมาทำกับคนเข็นใจเพียงคนเดียวให้คนอื่นต้องคอยเป็นเวลานานพระทศพลทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิษุทั้งหลายเราเดินทางกันดารมาถึงสสิโยชนเพื่อโปรดบุรุษผู้นั้น อุบาสกนั้นหิวยิ่งนักเขาออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อตามโคในป่าเมื่อเขาหิวอยู่แม้เราแสดงธรรมก็ไม่อาจสำเร็จประโยชน์แก่เขาได้เพราะเขาถูกความหิวหรือถูกความทุกข์อันเกิดแต่ความหิวบีบคั้นภิกษุทั้งหลายความหิวนี้เป็นโรคอย่างยิ่งดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นต้นมีในยะดังพจน า, นามาแล้วแต่ตนนั่นแหล มันก็เป็นอุปสรรคได้หลายๆอย่างเนะาะแค่นั้นการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็ดีถ้าเรียกว่าให้มันสบายเสียก่อนโบราณปู่ย่าตายายของเราแต่ก่อนเวลาจะสอนลูกสอนหลานนะว่าให้เขาอิ่มเสียก่อนให้เขาสบายเสียก่อนถ้าหากว่ามันยังหิวอยู่เนี่ยมันรับอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะพานด้วยเนย แล้วก็เกิดโมโหไม่พอใจนี่แต่ถ้ากินข้าวอิ่มอิ่มแล้วแล้วก็ค่อยบอกค่อยสอนมันก็จะเออจิตใจก็ดีขึ้นนี่เห็นโยมพ่อแต่ก่อนเลยจะตีก็ให้กินข้าวก่อนจะ ท, ทนะําโทษเนี่ยยังไม่บอกนะให้กินข้าวกินปาให้สบายก่อนนี่พอกินเสร็จแล้วค่อยตีนี่ตีทั้งไม้ตีทั้งสอนทั้งสองอย่างนี่ถ้าหนักก็ไม้เรียว ถ้าไม่นักมากก็ตีด้วยการสอนแต็เดี่ยวนี้ทําแบบสมัยก่อนก็คงไม่ได้ลูกหลานประชดพ่อแม่ทุกต่อไปอีกก็ต้องหาวิธีหาวิธีด้วยการที่เราต้องศึกษาเรื่องจิตใจรู้สภาวะของจิตใจนะต้องเอาเรื่องจิตใจไปแนะนำไปบอกไปสอนเขา ก็ต้องการความรู้ความเข้าใจต้องการเหตุต้องการผลนะแล้วไปต้องศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยแม้จะสอนให้เขาเป็นคนดีเ็าต้องชี้ให้เขาเห็นว่า เ, เป็นโทษอย่างไรหรือมีคุณอย่างไรเสก่อนให้เขายอมรับได้เด่กเขาจึงจะปฏิบัติตามเรา 6. ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐหรือเป็นลาบอย่างยิ่ง พาสิทนี่เราคุ้นเคยกันดีเนาะเพราะองค์ทรงตัดว่าอโรคยาปรมาลาพาสันตุธิปรมังทนังวิสาสะปรมาญาตีนิพพานะปรมังสุขขังแปลว่าลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งซับมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่ง ทำแปรข้างบนนี้แปรอย่างรักษาศัพท์รักษากฎทางวยากรเมื่อกล่าวโดยใจความก็คือความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 1. ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งบรรดาลาบทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรค หรือสุขภาพอนามัยอันดีนับว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดความร่ำรวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขหรือเป็นรองสุขภาพอนามัยทางนี้เพราะคนจะร่ำจะรวยอย่างไรจะเป็นใหญ่อย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้ มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุขก็คือโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนหรือราคาเป็นล้านก็จะสู้คนนั่งรถเมลแต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคเป็นค่าศึกแก่ความเจริญของร่างกาย ความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มากโรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคไปใกล้เจ็บไม่เบียดเบียน โรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทำอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทำให้เกิดความรำคาญใจทำให้กำลังใจเสียทอดอะไรในชีวิตแม้จะร่ำรวยเห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อาจอำนวยความสุขอะไรให้แก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัว เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันมีสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่าป้องกันดีกว่ารักษาในเรื่องโรคก็เหมือนกันป้องกันได้ก่อนดีกว่าทางแพทย์ได้แนะนำวิธีป้องกันโรคไว้หลายอย่างเช่นรับประทานอาหารแต่พอประมาณ งดเว้นการเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษออกกำลังกายพอประมาณไม่นอนดึกเกินไปไม่อยู่อย่างเกียจคร้านและไม่ขยันมากเกินไปเป็นต้นรวมความว่างให้เดินสายกลางแต่เป็นธรรมดาว่าโรคภัยไข้เจ็บต้องเกิดขึ้นบ้างตามธรรมดาของสังขารเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบรักษารีบปรึกษาแพทย์ไม่ปล่อยไว้นานจนยากแก่การเยียวยารักษา ไม่หายากินเองโดยขาดความรู้เพราะอาจทำให้โรคเลือยาทำให้รักษายากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหาความรู้นั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญมากผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นดูเหมือนไม่มีใครสักคนเดียวที่ขาดปัดจจัยสาคัญนี้แต่มีนักปรัชญาบางคนเช่น ดาวินได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเรื้อรังมานานปีเขาคงไม่ประสบผลสำเร็จในทางวิชาการยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้มีคนสำคัญอีกหลายคนที่มีโรคเรื้อรังประจำกายแต่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนพวกนี้ต้องมีกำลังใจแข็งละเกินและมีสมาธิแรงกล้าด้วย อาจเป็นได้ว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกไม่สามารถหาความเพลิดเพลินอย่างที่คนสุขภาพดีทั้งหลายจะพึงหาได้ไม่อยากเข้าสังคมที่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟยและการเดินทางไกลจึงหมกตัวอยู่ในการศึกษาคนา้นคว้าการทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเมื่อนานเข้าก็ประสบผลสำเร็จชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้นเพราะผลสาเร็จนั้น อั น, นึโรคเรื้อรังเป็นผมด้อยอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วคนที่มีปมด้อยอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมต้องพยายามหาปมเขื่องมาชดเชยผมด้อยนั้นจึงต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด่นขึ้นมาเพื่อทดแทนผมด้อยของตนความจริงว่าโดยธรรมชาติแล้วในธรรมชาตินั่นเองมีการทดแทนผมด้อยอยู่ในตัวคนตาบอดจะมีความสามารถทางหูและทางกายประสาทเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชย คนตาดีจำคนได้ด้วยการมองเห็นแต่คนตาบอดจะจำคนทางเสียงและทางการสัมผัสจริงอยู่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทดแทนหรือสิ่งชดเชยย่อมมีค่าเท่าสิ่งเดิมไม่ได้แต่ก็พอจะทดแทนไปได้ตัวอย่างตาปลอมหรือขาเทียมย่อมจะมีคุณค่าไม่เท่าตาแท้ขาจริงแต่มันก็พอใช้แทนไปได้ วิชาสั ต, ตะวศาสตร์บอกเราว่าเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันไปสัตว์ชนิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นแทนเป็นการชดเชยเพื่อให้พันธุ์สัตว์คงอยู่ในโลกได้เสมอไปมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนย้อนกลับมาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกสักหน่อยยอมรับกันทั่วไปว่าโรคนั้นไม่ดีแน่มันเสียแทงทั้งทางกายและทางใจ แต่คนฉลาดย่อมอาศัยสิ่งไม่ดีนั่นเองทำความดีหรือทำสิ่งที่โลกสมมติว่าไม่ดีให้กลายเป็นดีเหมือนทามะนาวให้หวานทำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยอย่างไรก็ตามใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศักัิรฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้ํำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรค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 สมมุติว่ามีคนอยู่สองคนคนหนึ่งดื่มน้ำแก้วเดียวอิ่มไป6ชั่วโมงอีกคนหนึ่งดื่ม3แก้วอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวในเวลาหชั่วโมงเขาจะต้องดื่มถึง18แก้วจึงจะพอความต้องการท่านลองคิดดูถตดว่าเขาจะต้องทุกทรมานเพราะการดื่มน้ำมากของเขาสักเพียงใดน้ำสิบแก้วของเขาย่อมมีค่าในการบำบัดความกระหายเท่ากับน้ำแก้วเดียวของคนที่ดื่มน้ำน้อย6ชั่วโมงต่อหแก้ว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 แต่ควรเสริมกําลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาว่าตนเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บันปะชิตหรือขรือหัดสมมติว่าเป็นบันปะชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขวนขวาย ให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้นต้องถูกติเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษเป็นธรรมเครื่องป้องกันอาธินาทานคือการช่อโกงยักยอกกินสินบนช่อราษบังหลวงเป็นต้นเพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นของดี สันโดษไม่ใช่ความเกียดครานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สาวกของพระองค์เกียรติครานทั้งบรรปะชิตและคฤือหั์ทรงยกย่องความเพียรอยู่เสมอสันโดษไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตรงกันข้ามสันโดษช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่หน้าไปโดยเร็วเพราะสันโดษช่วยตัดปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายปัญหาคอร์รัปชันสารพัดอย่างช่วยให้คนมีดวงใจสงบและทำงานได้มากขึ้น ทำความดีให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสันโดษช่วยกะจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศอันเนื่องด้วยการเป็นชู้สู่สาวหรือการหลอกลวงลักพาการกข่มคืนเด็กเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความไม่สันโดษนั่นเองอย่างน้อยก็ไม่รู้จักความเหมาะสมแห่งตนว่าควรได้อะไรไม่ควรได้อะไร สันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความอิ่มเ อ, อิบภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมา 3. ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งญาติแปลตามตัวอักษรว่าคนรู้จักกันคนคุ้นเคยกันพอจะรวมลงได้เป็นสองประเภทคือหนึ่งญาติโดยสายโลหิตคือพงพันธ์ที่สืบสายเลือดกันลงมาเท่าที่พอจะนับได้สองญาติโดยธรรมคือผู้ที่คุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน ส, สุขด้วยกันทุกข์กกด้วยกันญาติอย่างนี้ทรงเรียกว่า วิสาสิยาตทรงยกย่องว่าเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลูกญาติโดยคุณธรรมญาตโดยสายโลหิตนั้นมีได้จํากัดแต่ญาติโดยธรรมมีได้ไม่จํากัดใครมีคุณสมบัติปลูกมิตรได้มากก็ได้ญาติมากอันหนึ่งคนที่แม้จะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ไม่เอื้อเฟือ้อช่วยเหลือกันมีแต่จะแข่งแย่งแข่งดีกันใส่ร้ายป้ายสีกันด่าว่าเสียดสีให้เจ็บ า ย, ยามสุขก็ริษยายามทุกข์ก็กระนำซ้ําเติมญาติอย่างนี้เหมือนโรคในกายไม่มีประโยชน์อย่ามีเสียดีกว่าคือหลีกเสียให้ห่างไกลส่วนคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีคุณสมบัติแห่งญาติกล่าวคือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมื่อขาดแคลนช่วยคำ้ำเมื่อเซช่วยยกเมื่อล้มช่วยเตือนเมื่อเหลืงช่วยให้กําลังใจเมื่อท้อถอยคนอย่างนี้เป็นมิตรแท้และเป็นญาติอย่างยิ่ง ดีกว่ามีเงินทองซสอีกสมดังพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมิตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องกันหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมิตรช่วยจัดกำจัดที่ขัดข้องช่วยทาให้สมอารมณ์ปองกิตการตั้งผองช่วยคิด เต็มใจปรึกษาหาหรือไม่ถือเกินกั้ำคำผิดสู้งดอดโกรธโทษนิดผูกจิตมิตรไว้ด้วยไมยตรีสิ่งใดควรหย่อนผ่อนตามผ่อนให้ทุกยามถึงที่แม้เห็นสิ่งไรไม่ดีช่วยชี้ช่องทมนำทางการใดจะได้เกิดผลไม่คิดถึงตนกีดขวางเป็นที่เชื่อใจไว้วางมื่ได้อำพรางสิ่งใดยามดีสรเสริญเยนยอ แต่จะสพก็หาไม่ที่ควรตาหนิติไปมิให้มิตรใจเพียงพรําไม่เป็นเพื่อนกินสิ้นผลานยามจนไม่ผ่านช่วยกระนาจงจ้องมองดูชูคำอุปถัมทาชอบตอบแทนหามิตรเช่นนี้เหลื อ, อยากหาได้ลำบากยากแสนเอาใจไว้ดูอย่าแครนรักแม้นพี่น้องร่วมอุทธร อุตสารักษาน้ำจิตให้สนิทสนมสามัคคีสมสรคงจะไม่มีอนาถรไม่มีเดือดร้อนสักเวลาพระพุทธเจ้าตัดว่าวิสาสาปรมาลสัาความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งอาหารที่จืดหรือไม่สู้อร่อยนักแต่เมื่อได้บริโภคกับคนที่รักกันคุ้นเคยกันย่อมช่วยทำให้รสอาหารดีขึ้น การนั่งรับประทานอาหารที่คุณภาพดีราคาแพงต่อหน้าอามิตรหรือคนที่เกลียดชังกันรดอาหารนั้นไม่อร่อยอหนึ่งรถแห่งความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นรถที่ไม่จืดจางเร็วหวนรถอาหารและเครื่องดื่มเป็นรถที่สถิตอยู่ชั่วอายุและยังจะติดตามไปชาติหน้าอีกความคุ้นเคยรักใคร่จึงเป็นรถอย่างยิ่ง 4. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่ 5, แห่งวักนี้จึงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีกเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงป ร, ร, รารภพระเจ้าเปรเศรทฐ่โกศลมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้สมัยนั้นพระราชาเปรเศรษฐโกศลเสวยพระกายาหารมากข้าวสารตั้งทานานกับข้าวอย่างดีอย่างประณีตอีกต่างหาก วันหนึ่งสเสวยพระกยอาหารเช้าแล้วพระอาหารยังไม่ทันย่อยเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามีอาการอึดอัดประทับนั่งพลิกกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดหย่อนทรงง่วงมิอาจประทับนั่งตรงๆได้พระศาสดาตรัสทักอย่างคุ้นเคยว่ามหาบ่อพิษเสวยพระกายอาหารแล้วยังไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยเสด็จมานี่พระเจ้าข้าพระราชาทูล หลังอาหารใหม่ๆหม่อมชั้นอึดอัดทรมานเลือเกินอาจจะเป็นเพราะสวัยมากเกินไปมหาบอ่อพิษภาษาสดาตรัคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปก็มักง่วงมักหลับกระสับกระส่ายเหมือนสุกรใหญ่มึนซึมเข้าห้องนอนบ่อยๆความจริงเพื่อสุขภาพบุคคลควรบริโภคแต่พอประมาณคนมีสติอยู่เสมอบริโภคอาหารแต่พอประมาณมีความทุกน้อย อาหารนั้นหล่อเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆ ย, ย, ย่อยไปพระราชามีพระประสงค์จะจำพระพุทธดำรัตนี้ไว้แต่ไม่อาจจำได้จึงรับสั่งให้หลานชายชื่อสุทัศนะซึ่งเย็นอยู่ใกล้ๆเรียนแทนคือท่องจำไว้สุทัศนะท่องจำแล้วทูลถามพระาศาสดาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป พรตถาคตเจ้าตัดแนะว่าเมื่อพระราชาเสวยชวนจะอิ่มหรือเหลือพระกยาหารอยู่เพียงเล็กน้อยให้สุทัศนะว่าคาถานี้ขึ้นและให้ลดพระกยาหารลงมือละเล็กน้อยจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อพระราชาเสวยเหลือพระกระาหารคือข้าวสุกอยู่เพียงเล็กน้อยสุทัศนะก็ว่าคาถานั้นขึ้นพระราชาก็ทรงหยุดเสวยลดอาหารลงหน่อยหนึ่งจากจานวนเต็มที่เคยเสวย พระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันแก่สุทัศนะโดยอุบายนี้พระราชาสามารถลดความอ้วนได้ทรงมีพระกายเบาพระสริระกเป้กระเราทรงมีความสุขวันหนึ่งเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบถึงความสุขความเบาสบายอันเกิดจากการลดความอ้วนนี้ว่าบัดนี้ทรงสามารถวิ่งจับเนื้อหรือจับม้าได้และได้ทูลถึงความสุขอื่นๆของพระองค์คือ การเลิกรบกับหลานคืออาชาติศัตรูพระราชทานวชิรกุมารราชธิดาแก่หลานทรงมีความสุขจากความสุขแห่งการยุดแก้วมณีซึ่งเคยหายไปก็ได้คืนมาแล้วได้คุ้นเคยกับภิกษุสาวก ข, ของพระาศาสดาเพราะได้พระญาติแห่งพระพุทธองค์มาเป็นพระราชเทวีด้วยประการชานี้ความสุขได้เกิดขึ้นแก่พระองค์หลายอย่างพระาศาสดาตัด นอมมาทางธรรมว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันเปิดเความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีดยะดังพาลนามาแล้วแต่ต้นนั่นแหละไอยมธรรมกะถาสาทยสมันเตหิสันละเกตต a ภาตี ถ้าไม่หลับก็คงได้อะไรเยอะอยู่เนาะเบ้นแต่ว่าใครหลับมาบทสุดท้ายได้วิธีรักษาสุขภาพลดความอ้วนต้องกินให้น้อยก็เป็นสูตรที่ท่านก็บอกไว้อยู่แล้วเนาะสูตรที่ครูบาอาจารย์นามาใช้อยู่เสมอก็คือเหลือห้าคำจะอิ่มให้หยุด แต่ทำยากหน่อยนะถ้าอร่อยอร่อยนี่อยากจะเพิ่มอีกห้าคำเอาอีกหน่อยนะคนรุ่นก็รุ่นนะอคนอยากหยุดก็หยุดคนรุ่นก็รุ่นเอาอีกหน่อยนะจะได้เอาอีกเ อ, อกกเลยอดไม่ได้พ <Okay. S 1> ระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลนี่ก็ได้จากพระพุทธเจ้าเนียพระองค์ก็แนะ น, นํนำแนะนํำมาทำอย่างไรต้องท่องคาถาเหมือนพระเนี่ยปฏิสังขาโยนะ นิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิบริโภคอาหารเพื่ออะไรจริงๆมันก็เป็นเรื่องของตัวเองเอะเนาะจะไปโทษว่าเพราะโน้นอันนี้ก็ไม่ได้ก็โทษใจของเราเองนี่แหละมันควบคุมได้ยากยบางครั้งก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดลอ้ดลอมมันสมบูรณ์มาก กดใจไม่ได้ทําใจไม่ได้เนี่ยถ้าลักษณะนี้ต้องไปที่ที่มันน้อยๆถา้ถาทำไม่ได้ก็หาที่น้อยๆ บ, บีบบังคับเนี่ยเนี่ยเหมือนกับพระเนาะอาหารน้อยมันบังคับทาน ม, มากมนอย่างโน้นก็ดีอย่างนั่นก็อร่อยเนี่ยเนี่ยว่าจะหยิบเอาน้อยมันก็กลายเป็นมากอย่างนี้ แต่ถ้าไปบินธบาตได้อาหารมาอย่างเดียวเท่านั้นก็มันก็บังคับในตัวอยู่ตามชนน้ำบดเนี่ยบางครั้งก็ชันข้าวเปล่าชั้นข้าวกับกล้วยฉันข้ากวากับน้ําพริกเนี่ยแต่ก็แข็งแรงดีะไม่ค่อยโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยเนี่ยบางทีคนสมบูรณ์มากก็โรคภัไข้เจ็บมากเหมือนกันเนี่ย โดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยน้ำตาลมันเยอะแล้วเกินเลียเ้ยงได้ยากน้ำตาลแทรกมาแทบทุกอย่างก็เึงบอกว่าคนไทยรือชอบหวานเขาบอกกินอะไรก็ต้องมีหวานมีน้ำตาลน้ำตาลมันก็เลยเป็นตัวที่ทำให้ร่างกาย่มันวนเร็วแต่มันก็มีคุณเยอะเหมือนกันนะถ้าใช้พลังงาน ร่างกายก็จะต้องการน้ำตาลเยอะนะจะสร้างงว่าถ้าเราทำงานนี่จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวนี่นี่นั่นก็คือต้องการพลังงานถ้าได้น้ำมันหวานสักแก้วนึ่งรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมามีแรงขึ้นมาก็มีส่วนสำคัญเะไม่ได้น้ำตาลได้น้ำเกลือก็ยังกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายมันก็ต้องการการถึงอย่างไรก็ต้องให้รู้จัก ประมาณเนี่ยถ้าอยากให้มันอยู่นานๆก็รักษาแล้วเนาะถ้าไม่รักษาก็อยู่กับเราไม่นานนี่นี่ก็ดังที่ท่านอธิบายไว้กายกับใจนี่มันคนละอย่างกันนะแม้มันจะมีความสัมพันธ์กันเหมือนญาติสนิทแต่ก็หน้าที่โดยธรรมชาติของมันก็แตกต่างกันนะร่างกายมันมีความเสื่อมไปตามสภาพ จิตใจถ้าไม่รู้เรื่องของร่างกายนี่ก็รักษากายไปไม่ได้กายก็สุดโทรมบางกีก็สังขารมันไม่เที่ยงช่งหัวมันจะเป็นไรช่งหัวมันอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันนี่ก็ได้เหมือนกันก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่มันก็อยู่กับเราได้ไม่นานทำให้รักษามันก็อยู่ได้ไม่นาน เหมือนเรามีของใช้ไม้สอยในบ้านนี่แหละเนี่ยถ้าจะเอาธรรมะไปใ ช, ช้นะช่างมือมันของไม่เที่ยงนี่ใช้ไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาเดี๋ยวมันก็เก่าค่าคร่าแล้ว่าพังของมันเองก็ใช้ได้ไม่นานเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านกลับไม่สอนอย่างนั้ น, นเมื่อท่านสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่แต่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเราก็ต้องอาศัยมันเนี่ย แล้วก็มันก็มีอุปการะต่อเราเเมื่อมันมีอุปการหรืออุปการะต่อเราเนี่ยเราได้อาศัยมันเนี่ยเราจะไม่ให้ความสาคัญกับมันเลยหรือไม่ดูแลรักษามันเลยหรือเนี่ยก็ได้อยู่แต่มันอยู่กับเราไม่นานเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมชาติหรือกฎกธรรมชาติจริงๆนี่ยยมันอยู่ได้ไม่นานในจริงถ้าเราไม่ดูแลรักษาเนี่ย สังขารร่างกายก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละแม้โดยธรรมะโดยสัจธรรมมันไม่ใช่ของเราเแต่ว่ามันก็เป็นอุปการะต่อเราอีกเหมือนกั น, นอุปการะก็คือเป็นฐานที่ตั้งแห่งความดีหรือความไม่ดีก็อยู่ที่นีน่ถ้าว่าเราต้องการทำประโยชน์นก็อาศัยร่างกา ย, ยทั้งทางกายกรรมวจีกรรมมันเป็นส่วนของ ที่อาศัยอยู่กับกายนี่ทั้งมโนกรรมด้วยนี่ันั้นกายก็มีส่วนอย่างหนึ่งเอบางทีเออเราทำประโยชน์อะไรยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยร่างกายมันเออเออก็สิ้นไปก่อนหรือดับไปก่อนอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้เต็มที่นี่นี่อย่างจะบำเพ็ญความดีหรือทำกุศลหรือจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้เออถ้าเกิดมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยเป็นอุปสรรคมันก็เป็นอุปสรรคจริงๆนะ แต่ว่าการทำความเพียรในร่างกายก็เป็นอุปสรรคได้เนี่ยพะมันเจ็บไข้มันไม่สบายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลต่อจิตใจเนเหมือนที่ท่านกล่าวไว้มันมีผลมากมันกั น, นทำให้จิตใจอึดอัดขัดเคืองโกรหงิดไม่มีกระจิตกระใจเนี่ยจิตใจห่อเหี่ยวหดหูไปหมดเนี่ยเพราะร่างกายสมกับที่ท่านว่าความไม่มีโรคเป็นราบันประเสริฐ ถ้ามีโรคแล้วมันก็โอ้อย่างที่ท่านว่านะถึงจะมีบ้านใหญ่บ้านโตนยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะฮะความสุขไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าร่างกายมันป่วยอดๆแอดๆเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกแล้วก็จะมองเห็นเลยว่าเออชีวิตนี้มันมีความสาคัญกว่าวัตถุภายนอกเนี่ยวัตถุภายนอกนี่มันก็เป็นสมบัติของภายนอกนะถ้า ร่างกายนี่มันไม่เอื้ออำหน่วยนยจิตใจไม่มีธรรมะด้วยันก็ยิงไปกันใหญ่เนี่ยแต่อีกประเภทหนึ่งว่าอาศัยความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือพูดง่ายงาว่ า, าอาศัยความทุกข์ของร่างกายนยีจิตใจกับดีขึ้นก็มีเนี่เราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลก็มีแลอาศัยความทุกข์พิจารณาความทุกข์ปฏิบัติโดยเอาความทุกข์เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติ บรรลุธรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่โสดาสกิทาจนถึงพระราารอรหันต์ก็เพราะอาศัยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันเนี่ยมองเห็นว่าอร่างกายมันไม่เที่ยงเนาะมันทุกเนาะเนี่ยในขณะที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังอยู่กับเราเราต้องรีบชิงเอาให้ได้เนี่ยต้องรีบประกอบกรรมดีสร้างความดีหรือสร้างกุศลกรรมให้มันมากขึ้นหรือสร้างบารมีให้มากขึ้น ถ้ามันได้ในชาติปัจจุบันได้ยิ่งดีเนี่เพราะข้างหน้ามันก็ไม่แน่นอนก็ไม่แน่นอนจริงๆนะเกิดจริงอยู่แต่มันก็ไม่แน่นอนคติมันรับประกันได้ยากนะถ้าจิตมันเศร้าหมองเหมือนท่านว่าที่ไปเป็นโนนเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเนี่ยตาหมุนไปไม่รู้จักจบจากสิ้นอะไรเนี้ยอันหนึ่งเพราะความรักอันหนึ่งเพราะความชัง ความชังก็คือเป็นเวรก็เกิดแล้วเกิดอีกความรักเป็ก็วนและหวนอีกเหมือนกันนี่พอๆกันเหมือนกันนี่ท่านตึงบอกว่าถ้าปฏิบัติเพื่อไม่มีรักไม่มีชังจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งจริงๆเนี่ยนี่มันก็เราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนี้ต้องให้รู้ความละเอียดเหมือนกันนะบางครั้งมันจะสุดต่งได้เหมือนกันนะไปปฏิบัติธรรมแล้ววางมันทุกสิ่งทุกอย่างนี่ ไม่ดูแลอะไรท้งสักอย่างเลยมันก็ปล่อยวางแบบใช้ไม่ได้เหมือนกันนี่ยเนี่จะปล่อยวางเหมือนลูกศิร็จหลวงประชานี่เฉยอย่างนั้นมันไม่ถูกใช้ไม่ได้เนี่ยวางนั่นคือใจจิตวางแต่หน้าที่ก็ยังทําอยู่ปกตินี่แหละเนี่มันมีการกระทําตามหน้าที่อยู่แต่ใจนะพยายามวางมีก็ให้วางได้มา เราก็สแสวงหานี่ยแหละแสวงหามันได้มาแต่ก็รู้เนี่ยได้มาแล้วก็ให้วางวางอยู่ในการใช้มันนั่นแหละวางในการอยู่กับมันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆเราที่พอจะมองเห็นอยู่นี่นแหละเนี่ยถ้าเราใส่ใจมองดูได้เรื่อยๆเขจะมองเห็นโอ้แท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ย เอมือนเราจับถ้าจับถ้าเรารู้เรื่องเราไม่ยึดมันมันจะมาถือหนังสือเนี่ยแต่ถือหนังสือดีๆเนาะถือไว้ตลอดมันก็หนักเหมือนกันเนี่ยหนักนแล้วดีก็วางเอาไว้เห้นม่นไรวางไว้พรุ่งนี้ค่อยอ่านต่อก็ <c oughs> ๆๆสบายกว่าเอแต่โอ้ยดีมากก็ถืออย่างนี้เหมือนหนักแค่นี้นี่ก็เรรู้จักรู้จักวางมีประโยชน์จริงแต่มันก็มีโทษถ้าเราไม่รู้จักมันเนี่ย ทองคําที่ว่ามันมีค่าเออถ้าไม่รู้ประมาณมันก็ทับเราตายนะไม่ใช่ว่ามันเ อ, อของไม่มีค่ามันหนักอย่างเดียวนะออของมีค่ามันก็ทําเราตายได้เหมือนกัน เ, เราก็ต้องเรียนรู้รายละเอียดของธรรมะเนเี่ยอให้เข้าใจเดินไปอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่แล้วก็ถ้ามีธรรมะเรื่อง้ว่ามันก็มีความสุขใจน อย่าง น, น้อยก็รู้จักวางรู้จักละบ้างเป็นความเบาจริงๆไง